วิมุตติปิแม้แต่อรหัตผลวิมุตต์ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ไม่มีอะไรเปรียบไม่รู้จะเอาระดับไหนไปเปรียบใช่ไหมอย่างวิมุตติของบางท่านเนี่ยเป็นสุขวิปสัสสกบางท่านเป็นวิชาามบางท่านปฏิสัมพิทาสี่บางท่านอภิญญาหกบางท่านก็สาวกบารมีบางท่านก็อัครสาวกบางท่านปัิเจกพระพุทธเจ้าแต่อรหัตผลของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธคุณทั้งปวง เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกระดับธรรมดาไม่มีอะไรไปเปรียบได้อนูประมาเกินกว่าที่จะเปรียบอตุละเตชะัะผู้มีเดชคือยานอันชั่งไม่ได้เนี่ยนะไม่รู้เอาอะไรเป็นเครื่องตวงเครื่องเป็นมาศเป็นเครื่องวัดเช่นนะที่ภาษารีบุตรท่านบอกว่าอะไรนะน้ำก็ไปเปรียบกับพระองค์ไม่ได้นะเปรียบกับพระยานไม่ได้แผ่นดินก็เปรียบกับพระองค์ไม่ได้อากาศก็ยังเปรียบ ไม่ได้เพราะพระยานของพระองค์นั้นอตุระเตชัสผู้มีเดชคือยานอันชั่งไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้ตักตวงไม่ที่เร า, าไม่รู้จะอะไรเป็นเครื่องวัดเครื่องเป็นมาสไปตวงไปวัดบทว่ามหาตามะปะวาหนาะได้แก่ยังโมหะใหญ่ให้พินาศคือกําจัดโมหะความมืดความงู้ความเคลา้าความไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยศาสตร์ทั้งหลายนั่นเองสมัยต่อมา สมัยต่อมาหลังจากที่พระองค์แสดงธรรมไปแล้วเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าปฐุมะก็ทรงให้สาร ก, กุมารและอุปสารั ก, กุมารพระกนิตฐาดาของพระองค์บรรพชาในสมาคมพระประยุรย่าพร้อมทั้งบริวารเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดชนเหล่านั้นยังสัตต์เก้าโกดให้ดื่มอตมตะธรรมก็ครั้งที่ทรงแสดงธรรมโปรดพระธรรมิกะเทระอภิสมัยก็ได้มีแก่สัตต์แปโกด อย่าลืมว่าจํานวนมากแบบนี้โดยมากเป็นเทวดาเนี่ยนะผู้ที่ตรัสรู้ด้วยเหตุนั้นพระ อ, องค์จึงตรัสว่าอภิสมัยครั้งที่1พระพุทธเจ้าทรงยังสัตว์ร้อโกธให้ตรัสรู้อภิสมัยครั้งที่สองพระจอมปราศทรงยังสัตว์ให้ตรัสรู้เกโกดครั้งที่พระปทุมะพุทธเจ้าทรงโอวาทพระโอรสของพระองค์อภิสมัยครั้งที่สได้มีแก่สัตว์ประมาณ80โกดครั้งนั้นพระเจ้าสุภาวิตตตะ มีพระราชบริพารแสนโกรธผนวดด้วยเอหิพิกุบัปรปชาในสำนักของพระปฐุมะพุทธเจ้าผู้มีพระภาคดังดอกปทุมบาลแปลว่าพระพุทธเจ้าในแย้มเหมือนดอกบัวบานนะนะไม่ใช่ดอกบัวเฉาอ่ะนะคนละอย่างดอกบัวบานที่เ อ, อิบอิ่มทั้งพร้อมเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคทรงยกปาติมโมกขึ้นแสดงอันนี้เป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่หนึ่งสมัยต่อมาพระมหาปฐุมพุทธเจ้า มุนีผู้เลิศมีคติเสมอด้วยโคอุสภะเนี่ยนะคว่าโคอุสภะหมายถึงโคองค์อาจผู้เป็นจ่าฝูงฉันใดพระองค์ก็เป็นผู้ที่นำโลกพร้อมทั้งเทวโลกฉันนั้นพระองค์อาศัยอยู่ในกรงอุสภาวดีเข้าจำพรรษาพวกมนุษย์ชาวนครประสงค์จะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พากันเข้าไปเฝ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดชนเหล่านั้นมนุษย์เป็นอันมากในที่นั้นมีจิตเลื่อมใสพากันบวชต่อจากนั้นพระทศพลทรงประเรณาวิสุทธิประรณากับภิกษุเหล่านั้นภิกษุจำนวนสามแสนและอื่นๆนี้เป็น ส, สาวกสันนิบาตครั้งที่สองพูดถึงผู้ที่เขาตรัสรู้มากๆเยอะๆเนี่ยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยสงสยัยจริงหรือจริงหรือ แต่ว่าไปอินเดียเมื่อครั้งหลังสุดเนี่ยนะมันเห็นคนอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นมีอีกแล้วมันเยอะมากมันมีงานอยู่งานหนึ่งที่เมืองอายุทยาที่ที่เขาทะเลาะ ก, กันบ่อยๆเมืองอายุธยาเนี่ยมันจะทางผ่านระหว่างเมืองสาวธีไปเมืองอรัฐของอุตรประเทศนะเมืองหลวงของรัฐอุตรประเทศชื่ออะไรนะลักเนาอะ่ะ จากสาวถีไปลักเนามันจะมีผ่านอ้ที่เมืองศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่ทราบของเขาตรงนั้นอ่ะทะเลาะกันมันแย่งเงินแย่งวิหารแย่งวัดวัดเดียวเนี่ยที่มันฆ่ากันบ่อยๆนะทีนี้มันมีคนที่มาประชมเนี่ยนะมันคนมันเยอะมากเลยอ่ะทีนี้อเยะไม่ว่าทีนี้เราก็นั่งรถใช่ไหมนั่งรถประมาณ 20-30 มกิโลมีนักปั่นจักรยานเนี่ยนะเป็นสิ1 0ิคันเนี่ยยาวเป็นส40กิโลเนี่ยนะ และไอ้คนที่อยู่ที่ประชุมตรงนั้นมันก็เป็นหลายเป็นหลายหมื่นหลายแสนอยู่แล้วใช่ไหมและไอ้ที่หนทางนะอันนี้ถนนเส้นเนดียวและไอ้เส้นอื่นๆนี่จะขนาดไหนคนมันมากจริงๆเลยนะมันถ้าพวกเหล่านั้นมีบุญและพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมนี่ได้บรรลุกันเยอะแยะมันจำนวนที่ว่าเขาว่าบรรลุมากๆนี่เชื่อได้เลยว่าเป็นไปได้จริงๆอย่างพวกเราเนี่ยนะนั่งอยู่ในห้องเนี่ยโอยดูเหมือนเยอะนะตรงนี้ ถ้าไปสถานีรถไฟเขานะ่ะหลงหมดเลยหายไปหมดเลยพวกเราเนี่เป็นชนกลุ่มนิดเดียวจริงๆเลยมันนิดน่นะคนมันมากนะมากซะจนแหมง่ายเลยเหงาเลยแหลนะเนี่ยคือเหงาไหมว่าไม่มีพวกเราแต่คนเดียวที่มากันทั้งหลายคนในตอนต้นเนี่ยนะเหมือนทําท่าจะเยอะไปถึงตรงนั้นแล้วนิดเดียวจริงๆประชากรเขามากจริงๆนะประชากรประชาชนเขาเยอะมากนะโว้ยเนี่ย มันก็ไอ้ที่เขาบรรลุทีละเยอะๆเนี่ยก็มีอยู่เลยผู้ที่เขาสั่งสมบุญจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งยืดยืนยาวนานอย่างพร ะ, ะดา่าเหล่าใดที่บูชาพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นก็เชื่อว่ามีอุปนิสัยที่จะได้ตรัสรูต้ต่อไปในอนาคตเหล่าชนที่ทําพุทธบูชาถ้าเราคิดถึงว่าผู้จะตรัสรู้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปควรจะมากขนาดไหนก็ดูจากประชากรที่บูชาพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนปัจจุบันแล้ว จะมีต่อไปในอนาคตชนเหล่าใดที่มีความเข้าใจทราบเสื้งบูชาพระพุทธเจ้าด้วยความเข้าใจชนเหล่านั้นเทวดาเหล่านั้นก็มีอุปนิสัยที่จะได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตถามว่าผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันตรัสรู้จบจนปัจจุบันกี่คนและชนเหล่าใดที่บูชาด้วยความเข้าใจชนเหล่านั้นต่อไปจะได้ตรัสรู้เนี่ยนะมันจะมีการตรัสรู้สักเท่าไหร่ และไม่ใช่จากพระพุทธเจ้าองค์เดียวและจากพระพุทธเจ้าองค์อดีตอดีตอดีตหลายๆองค์ชนที่สั่งสมบุญไว้มากชนเหล่านั้นก็จะได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นการประชุมที่บอกว่ามีผู้ตรัสรู้เยอะแยะเนี่ยไม่ต้องสงสัยเนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขาเหล่านั้นรอคอยเรียกได้ว่าเป็นวันที่เขาเหล่านั้นรอคอยรอคอยใครรอคอยที่จะพบเห็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะฟังอริยสัจจากพระองค์แล้วจะได้ตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะ ต่อไปพูดถึงงานกฐินว่าชนเหล่าใดยังไม่บวชในครั้งนั้นชนเหล่านั้นฟังอา น, นิถงอา น, นิสงของกฐินแล้วก็พากันถวายกฐินจีวรที่ได้อา น, นิสงห้าในวันนั้นในปาฏิบทเดือนห้าแต่นั้นพิษุทั้งหลายอ้อนวอนพระสารเถระพระธรรมเสนาบดีอัครสาวกผู้มีปัญญาภัยสาร เพื่อกลานกระถินก็ได้ถวายกระถินจีวรแก่พระสารีระนั้นเมื่อกระถินจีวรของพระเถระอันภิกสุท์ทั้งหลายพากันทำอยู่พิกสุท์ทั้งหลายก็เป็นสหายช่วยกันเย็บฝายพระประธุมะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงร้อยได้เข้ารูเข็มประทานคือพระพุทธเจ้าอะไรนะร้อยได้ใสเข็มอ่ะนะร้อยได้ใสเข้าไปในเข็มเว่าเรียกว่าร้อยเข็มให้พิษุก็ช่วยกันเย็บอ่างนั้น เมื่อจีวรสําเร็จแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสดจจาริกหลีกไปพร้อมกับภิกษุ ป, ประมาณส0 0 0สนอย่างสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะปัญจมะเตหิพิขุสเตหิประมาณ500ติดตามแต่พระพุทธเจ้าปทุมะมีพระภิสุ ป, ประมาณส0 0 0สนคอยติดตามเนี่ยนะท่านจะอยู่กันยังไงอะไรยังไงบอกไม่ต้องไปห่วงคนมีบุญขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยนะขนาดพวกอะไรนะพวกประท้วงมันอยู่กันได้ยังไงเป็นเดือนๆก็ไม่ได้อยู่กันสองคนที่ไหนใช่ไหม ยังอยู่กันได้กินกันได้ยากจนขนาดนั้นยังอยู่กันได้และจะกล่าวไปยายถึงพระอริยเจ้าผู้มีบุญเหล่านั้นไม่ต้องห่วงท่านหรอกบางคนห่วงท่านนะเอ๊ท่านไปอยู่ยังไงท่านไปฉันยังไงท่านจะไปนิพพานแล้วไม่นานหรอกแต่พวกที่อยู่ในวัดตะนี่สิหน้าสงสารจะอยู่ต่อไปอยังไงจะไปเกิดในครันที่ไหนจะไปอยู่ตรงไหนจะไปทานอะไรไปหนุ่งอะไรไปผมอะไรพวกที่อยู่ในสังสารวัฏ น, นี่น่าเป็นห่วงมากกว่าเยอะเนี่ยนะสมัยต่อมาพระพุทธสีหะ ประดุษบรูรษสีหะผู้ดำเนินไปด้วยความองอาจดังราชสีพุทธสีหาคือพระพุทธเจ้าผู้เช่นราชสีองอาจไม่คลั่นครม้มฆ่าบาปอากุศลธรรมทุกชนิดมีความอดทนพระองค์นั้นเสด็จเข้าไปจําพรรษาณนะป่าใหญ่ไม่รู้พระพิสูจน์ทะเลาะ ก, กันแล้วนี้ไปอยู่ป่าเหมือนพระพุทธเจ้าของเราหรือเปล่าไม่ทราบแต่นี้คงไม่ใช่หรอกพระองค์ก็เข้าไปจำพรรษาที่มีดอกไม้หอมอย่างยิ่ง พลไม้เป็นพวงมีกิ่งก้านอันอ่อนโนม้มมีค่ามีค่าคบไม้เหมือนป่าโคสิงคฆ่าสารวันบริเวณบริบูรณ์ไปด้วยห้วงน้ำที่เย็นอร่อยประดับด้วยบัวก้านบัวสายไร้มนทินเป็นที่สัญจรของหมู่เนื้อเช่นกวางจามารีราชสีเสือช้างมา้าโคกระบือเป็นต้นอันฝูงแมลงผู้และพึ่งสาว เพื่องสาวนี่เป็นเพื่งองยังไงเพื่งที่มีใจติดกับกลิ่นดอกไม้หอมกลุ่นเนี่ยนะเพื่งสาวๆไปดูสวนนั่นแหะก็กลุ่มเนี่ยสายพันธุ์ผีเสือ้อกลุ่มนี้แหละชอบดูสวนบินว่อนตอมหมายถึงว่าบินตอมว่อนเป็นฟุงฟ้งๆโดยรอบอันเหล่านางนกดว้วงมีใจเบิกบานด้วยรสผลไม้ส่งเสียงร้องไพเราะแผ่วเบาคล้ายขับกล่อมอยู่หน้ารื่นรมย์อย่างยิ่ง สงัดปราศจากผู้คนเหมาะแก่การประกอบความเพียรพระตถาคตทศพลพระธรรมราชาพร้อมทั้งบริวารประทับอยู่ณป่าใหญ่นั้นพระองค์รุ่งโรดด้วยพระพุทธสิธริมนุษย์ทั้งหลายเห็นแล้วก็พากันฟังพระธรรมของพระองค์ก็พากันเลื่อมใสบวช ด, ด้วยเอหิพิขุบรรปชาครั้งนั้นพระองค์อันภิกษุสองแสนแวดล้อมแล้วก็ทรง ปวารณาภรรษามีสาวกสันนิบาต3ครั้งนนะทั้งศาสนามีการประชุมใหญ่ๆของพระอรหันต์สาครั้งครั้งที่1มีภิกษุประชุมกันเท่าไหร่แสนโกดเนี่ยนะแต่คำว่าโกดนี่ก็เป็นตัวเลขที่ที่สมัยนั้นเขาเข้าใจกันเป็นอย่างดี ในสมัยกรานกะทินเมื่อกะทินจีวรนเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเย็บจีวรนเพื่อพระธรรมเสนาบดีครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นไร้มนทินมีอภพิญญาหกมีฤทธิ์มากไม่แพ้ใครจำนวนสาแสนโกฎประชุมกันต่อมาเอกพระนราสภาพระองค์นั้นเสด็จเข้าจำพรรษานะป่าใหญ่ครั้งนั้นเป็นการประชุมภิกษุ ป, ประมาณสองแสนโกร ถ้าตามศัพท์แล้วเนี่ยจะต้องแปลว่าสองแสนเฉยๆเนี่ยนะคําว่าโกธเนี่ยก็เป็นตัวเลขอะไรไม่ทราบทวินนังสะตะสหสิสสินังเนี่ยนะแปลว่าสองแสนก็พิสูจน์จําปริมาณสองแสนครั้งนั้นเมื่อพระตถาคตประทับอยู่ณนไะพรพสนนั้นพระโพธิสัตว์ของเราเกิดเป็นราชสีนี่นะโอ้ยรว่าสําหรับผู้ที่ยังท่องเที่ยวไปในวะัตะเนี่ยนะไม่รู้่เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยน คือถ้าเรามองแบบเนี่ยนะเดี๋ยวก็แปลงร่างเป็นมนุษย์แปลงร่างเป็นเทวดาแปลงร่างเป็นพรหมแปลงร่างเป็นเดรัจฉานแปลงร่างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเดรัจฉานหลายเผ่าพันนับตั้งแต่สัตว์น้ําสัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์ไม่มีปีกสัตว์มีขนสัตว์ไม่มีขนเป็นมนุษย์ตั้งแต่จันทรานยันพระราชามหากษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิเป็นเหล่าเทวดาตั้งแต่จาตุมไล่ดาวเดืองยามาดูสิบจนถึงพรหมโล ก, กสลับกล้าเคล้าหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะ แม้แต่พระโพธิสัตว์ก็ยังอยู่ในเยี่ยงเช่นนั้นแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็สร้างบารมีเพื่อตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์เพื่อจะช่วยเหล่าสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ตามไปด้วยพระโพธิสัตว์ก็เป็นราชสีในชาตินี้เมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกับที่แล้วพระองค์เป็นราชสีพระองค์ก็พระโพธิสัตว์ไปเห็นพระพุทธเจ้าปฐุมมะประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติเจ็ดวันก็มีจิตเลื่อมใส กระทำประทักษิณเกิดปีติโสมนัส บ, บัลือศีหนาฏสมครั้งดีนะว่าบรลลอาาศีหนาฏพระพุทธเจ้าได้ยินไม่ตกใจถ้าเป็นพวกเราเนี่ยนีตลอดไปตลอดมดเสื้ออะไรมาคำรามแถวนี้นะยุ่งเลยนะราชสีนั้นก็ไม่ละปีติคือคื อ, คอเห็นพระพุทธเจ้าราชสีความที่สั่งสมบุญสั่งสมพุทธคุณมาม า, มากเห็นแล้วก็ปีติดีใจมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ อยู่ด้วยปีติและศขเหล่านั้นไม่ออกหาเหยื่อยอมสละชีวิตยืนใกล้ๆเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะคล้ายๆกับเป็นอะไรนะคือถ้าเรามองแค่ธรรมดาเนี่ยสุนัขบางตัวที่รักจกของมากๆเนี่ยนะยังไม่ยอมไปหากินลยนะยืนเฝ้าเจ้าของอยู่ตรงนั้ น, น่ะนะนี้ราชสีที่สั่งสมบารมีมาตั้งสามอสงไขนี่นะ ท่านจะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าขนาดไหนเพราะท่านไม่ไม่ได้สนใจในเรื่องอาหารอะไรหรอกครั้นล่วงไปเจ็ดวันพระาศาสดาก็ออกจากนีโรสมาบัติผู้เป็นสีหานรชนก็ตรวจดูราชสีดมเรว่าขอราชสีจงมีจิตเลื่อมใสแม้ในภิกษุสงฆ์เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็ได้บุญมากแล้วขอให้เขามีโอกาสเลื่อมใสในพระภิกษุสงฆ์โปรงก็เลยอธิษฐานว่าขอภิกษุสงฆ์จงมาภิกษุล้ายโกรธก็พากันมาทันทีทันใด ราชสีก็ยังจิตใจให้เลื่อมใสในพระสงฆ์พระศาสดาทรงตรวจ ด, ดูจิตของราชสีนั้นแล้วก็ทรงพยากรณ์บอกว่าในอนาคตราชสีตัวนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสเล่าให้พราษาริบตทฟังว่าสมัยนั้นนะเมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกับที่แล้วนั้นเราเป็นราชสีเจ้ามรึก ได้เห็นพระชินะพุทธเจ้าผู้เพิ่มพูนความวิเวกอยู่ในป่าใหญ่เราใช้เสียงกล้าวถวายบังคมพระบาทกระทำประทักษิณพระองค์บรรลือีหนาสามครั้งเข้าไปเฝ้าพระชินะพุทธเจ้าเจ็วันเราก็เฝ้าอยู่เลยเจ็ดวันเจ็ดวันวันที่เจ็ดพระตถาคตก็ออกจากนิโรธสมาบัติทรงพระดำริด้วยพาหฤทยัยนำภิกษุมานับโกรธ แม้ในครั้งนั้นพระมหาวีระพระองค์นั้นก็ทรงพยากรเราท่ามกลางภิกษุเหล่านั้นว่าท่านผู้นี้หรือราชสีตัวนี้จกเป็นพระพุทธเจ้าในกัปที่หาประมาณไม่ได้นับแต่กัปนี้ก็คืออีกหนึ่งอสงไขยแสนกัปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็พยากรเนื้อหาเหมือนที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยนะประวัติ เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าปทุมะอีกสักเพิ่มนะนะทบทวนสักเล็กน้อยว่าพระองค์มีนครเป็นที่เกิดชื่อว่าจำปะกะพระพุทธบิดาชื่อว่าพระเจ้าอัศมะพระพุทธมารดาพระนางอัศมาคู่อัครสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าสาระและอุปสาระพุทธอุปถากชื่อว่าวรุณะคู่อัครสาวิกาพระราธาและสุราธาโพลึกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระองค์ชื่อว่ามหาโสนะ สรีระของพระองค์สูง58ศอกมีพระชนมาายุเกิดในช่วงมนุษย์อายุแสนปีพระองค์มีอัครมหาเสือผนางอุตราผู้ยอดเยี่ยมด้วยรูปเป็นต้นโอรสของพระองค์หน้ารื่นรมอย่างยิ่งชื่อว่ารัมมะกุมารก็เร่าหน้ารื่นรมนี่นะพระองค์เขาบอกว่าแสงจันท์แส ง, แสงอาทิตย์แสงรัตนะแสงไฟแสงมณีเหล่านั้นเนี่ยนะพอมาสู่ พอมาถึงรัศมีของพระชินพะพุทธเจ้าอันสูงสุดก็กําจัดออกไปคือเนื่องจากว่ารัศมีของพระองค์ไม่มีอะไรเสมอเล่นออกไปสู่ทุกทิศในยุคนั้นมนุษย์มีอายุแสนปีพระปฐุมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระชนยืนถึงเพียงนั้นก็ทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอกฆสงสารข้ามพ้นโอฆสี่ข้ามผลขันธาตุอาเจตนา พระองค์พร้อมทั้งพระสาวกยังสัตว์ทั้งหลายที่มีใจอันกุศลอ บ, บรมให้แก่กล้าแล้วได้ตรัสรู้ไม่เหลือเลยส่วนที่เหลือพระองค์ก็ทรงพร่ำสอนผู้ที่ควรบรรลุนะพระองค์ช่วยให้บรรลุหมดไอส่วนพวกที่บรรลุไม่ได้ก็ช่วยให้เป็นบุญวาสนาเพื่อที่จะได้บรรลุต่อไปพระองค์เมื่อทำกิจของพระองค์เสร็จสิ้นแล้วพร้อมทั้งสาวกก็ดับขันธปรินิพาน พระองค์ละสังขารทั้งปวงเหมือนงูละคราบเก่าคือแปลว่าไม่อาลัยอาวรณ์ไม่ห่วงใยในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลยไม่อาลัยอาวรณ์ในร่างกายเลยแม้แต่นิดเดียวมีพระพุทธเจ้าท่านนั่งรู้ว่าตัวเองจะตายแล้วก็ดีใจพีติมากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะกล่าวไปยัยถึงวันตายเหมงอนกันวันดับขันวันที่ดับขันไม่มีขันทิ้งขันเหล่านี้ไม่มีการถือเอาขันไปใหม่ๆ สละไปเรียก ว, ว่าจิตใจไม่อะไรเหมือนงูลอกคราบเก่าหรือเหมือนต้นไม้สลัดใบเก่าแล้วก็ดับขันทะปปรินิพานเหมือนดวงไฟที่สิ้นเชื้อเหมือนประทีปที่สิ้นเชื้อฉะนั้นเนี่ยนะเพือนสังขารทั้งหลายว่างเปล่าแท้ถึงพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็หมดไปแล้วเนี่ยนะผ่านไปเมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกับ ในในกลับในหนึ่ ง, งอสงไขยแสนกับมีพระพุทธเจ้ากี่องค์เนะี่ยสาองค์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าอโนมาทศีพระพุทธเจ้ า, า, า, ทจาปทุมะส่วนพระพุทธเจ้านารทะก็เป็นพรุ่งนี้เนี่ยนะผลพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่เราพวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจฟังพุทธคุณกถาธรรมคุณคาถาสังฆคุณกาถาปรารบถึงความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าที่เคยมีมาแล้วในอดีต นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าวันนี้ฟังเรื่องอะไรบ้างฟังพระพุทธเจ้าองค์เมื่อเช้าชื่อว่าโสพิตะพระพุทธแล้วก็ต่อด้วยพระพุทธเจ้าอะไรนะอโนมาทศีพระพุทธเจ้าปทุมะเนี่ยนะฟังพระพุทธเจ้าสามองค์พร้อมทั้ง พระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้และหมู่สาวกองค์สําคัญนะที่ควรได้ยินได้ฟังอันบุญกุศลที่ได้ยินได้ฟังคุณพระรัตนตรายเหล่านี้ขอคุณงามความดีเหล่านี้จงเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยที่มีกําลังให้เราทั้งหลายได้เป็นผู้มีศรัทธาอันมั่นคงในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาอันมั่นคงในพระธรรมมีศรัทธามั่นคงในพระสงฆ์ได้ตรัสรู้อริยญายธรรมตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทตั้งอนุโลมและ ปฏิโลมตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ด้วยกันทุกข่า้นานันโมทนาวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้